ธรรมะถ้าเราคิดว่าจะทำยังไงนะผิดแล้วล่ะมีปัชนาไม่มีคำว่าทำมีแต่ว่าเห็นอย่างที่มันเป็นคิดว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีก็จะไปปรุงแต่งขึ้นมาปรุงอะไรปรุงได้สองอย่างเรียกว่าปรุงปุญญาพิสังขารปรุงดีปรุงอาเนญชาพิสังขารปรุงว่างๆปรุงไม่ต้องรับรู้อารมณ์ ก็ปรุงอยู่แค่นั้นแหละไม่รู้หรอกว่าความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงจะดีจะวิเศษแค่ไหนรากเงาของมันก็คืออวิชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งไม่รู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุ ก, ก็คือรูปนามถ้าคลาดเคลื่อนจากการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแนละ้วก็คลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติล อยากจะดีก็คือไปแทรกแซงบังคับกายบังคับใจอย่างเดินเนี่ยต้องเดินท่า น, นี้ถึงจะดีเดินท่า น, นี้ไม่ดีเวลาเดินต้องสํารวมต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้รถจะทับตายอยู่ในเมืองนะเมื่อแต่เดินอย่างเงี้ยเดินช้าๆได้ยินเสียงแต่รถมาเนี่คยค่อยๆหัน mm hmm. รู้สึกตัวอีกทีอยู่ห้องไอซีแล้วทำอะไรให้มันเวอ่อไป เคลื่อนไหวธรรมดานี่ไม่ได้หรือแล้วมีสติยืนเดินนั่งนอนธรรมดานี่แหละมีสติไม่ได้หรือหายใจธรรมดานี่มีสติไม่ได้หรอมให้ธรรมานาปนสติเ็บาบังคับอะบังคับเพื่อจะได้ดีไหมพุ่งยาวดีสร้างปุญญาพิสังขานอยู่นั้นการรู้ซื่อๆรู้ลงไปธรมธรมดาธรรมดารู้รูปรู้นามถ้าใจไม่ลอย ใจลอยมันก็ลืมตัวรู้รูปรู้นามไม่ได้เรารู้สึกตัวมันก็รู้รูปรู้นามได้พอรู้สึกตัวได้แล้วไม่บังคับรูปนามถ้าบังคับรูปนามก็เป็นความปรุงฝ่ายดีให้แค่รู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกล้าพอไหมที่จะทำยากนะตรงที่ใจไม่ถึงมันอยากดี แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอจะพอต้องยากกว่านี้ถึงจะได้ก็พราะความคิดอย่างนั้นแหละหลอกเอาวิปัสนาไม่ได้มีอะไรเลยวิปัสนานะวิตัวหนึ่งปัตตนาตัวหนึ่งปัสตนาว่าการเห็นเห็นเอาเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นอย่างวิวิแปลว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นไตรลักษ ในวิปัสสนาเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่ใช่คิดด้วยแต่เห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นรูปนามต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นการแสดงไตรลักษณ์ของรูปนามมีพระมาถามอรูนี้ภาวนาเก่งนะไม่ธรรมดาหรอกมาถามหลวงพ่อบอกว่าท่านอาจารย์ผมทุกวันตื่นขึ้นมาผมก็คิดวันนี้จะภาวนางไงจะได้หลุดพ้นสักที ไม่อยากเกิดอีกแล้วทำไปนะก็ดีขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่อีกแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่มใหม่หาใหม่ถ้าบอกถ้ามีความรู้สึกเหมือนท่านเดินรอบภูเขาอยากขึ้นเขาอยากขึ้นยอดเขาให้ได้ก็เดินไปรอบเลยช่องนี้น่าจะขึ้นได้นะขึ้นไปคือทำนะต้องทำอย่างนี้น่าจะหลุดพ้นทำแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ก็ลงมาใหม่หาใหม่ทุกวันคิดแต่ว่าจะทำยังไงจะทำยังไงใครคิดบ้าง จะทำยังไงที่ทุกคนแหละมันไม่ใช่ภูมิที่ไม่คิดเป็นไหมตื่นมาวันนี้จะภาวนางไงดีทำไงจะหลุดพ้นมันมีวิธีใหม่ๆนะตัวนี้อลไหลอกเราเนี่ยหลวงพ่อคันนั้นท่านก็มาถามหลวงพ่อว่าแล้วทางที่ถูกมันอยู่ตรงไหนท่านอาจารย์ผมหามาจนรอบภูเขาหามาหลายรอบแล้วนะเวียนอยู่นั่นนะ่ะคนกว้าอยู่นะัน ตับท่านซื่อๆไม่มีหรอกไม่มีทางที่จะทำอะไรแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกหาทางให้จิตบรรลุมรรคผลนิพพานทำไม่ได้หน้าที่เรามีแค่ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแล้วจิตเขาบรรลุของเขาเองก็มาศึกษาว่าทำยังไงศีลจะเกิดทําไงศีลไม่ดังพร้อยกายวาจาเรียบร้อย ทำยังไงจิตใจจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานเวลาเหนื่อยๆทําไงจิตใจจะสงบได้พักผ่อนะมีแล้วมีแรงขึ้นมาทําไงจิตใจจะพร้อม ก, กับการเดินปัญญานี่จิตสิกขาจิตสิกขาจะเรียนละเอียดเกี่ยวกับจิตจิตอย่างไดเป็นกุศลจิตอย่างไรเป็นอกุศลเดีนตรงนี้แล้วจะทำอะไรได้ก็จะแยกได้ สมาธิยังไงเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิยังไงเป็นสัมมาสมาธินี่สมาธิที่มีสติจิตเป็นกุศลแยกได้อีกสองอันสมาธิอย่างไหนเอาไว้พักผ่อสมาธิอย่างไหนเอาไว้เดินตัญญาก็ไม่เหมือนกันอีกในจิตสิกขาจะสอนเราจะเราได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องก็มีสองอันนะ อารามณูปนิชานจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวไว้พักผ่อรักขณงปนิชานจิตตั้งมั่นเห็นความเปลี่ยนไตรลักษณ์ของรูปนามได้อันนี้ไว้เดินปัญญาพอเรียนเรื่องจิตสิกขาแล้วเราได้จิตที่ถูกต้องเราก็เรียนเรื่องปัญญาสิกขาเรียนว่าทรรมเอยปัญญาจะเกิดปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกหรือตัวสมาธิฐี่นั่นเอง ตัวสมาทิฏฐินี่แหละคือตัวเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครเขาถามเราว่าพระพุทธศาสนาคืออะไรนะตอบไปเลยเสียงดังๆว่าคือสมาทิฏฐิบอกไปอย่างนี้เลยสิ่งที่พระเจ้าสอนนั่นแะตัวสมาทิฏฐินั้นเปัญญาเกิดจากการเห็นความเป็นจริงปัญญามีหลายระดับปัญญาจากการอ่านการฟังไม่ทาให้พ้นทุกข์ การนานการฟังเนี่ยได้ความรู้ของคนอื่นยังอ่านพระไตรปิฎกก็ได้ความรู้ของพระพุทธเจ้าได้ความรู้ของพระสาวกปัญญาจากการคิดอันนี้เจือด้วยการคิดคิดอยู่ในกรอบเก่าๆคิดอะไรที่แบกกรอบไม่ค่อยเป็นถ้าคิดอย่างแบกกรอบรก็กลายเป็นคิดผ่าเหล่าผา ก, กอไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะปัญญาที่แท้จริงคือภาวนามายตปัญญา ปัญญาจากการเจริญสติมีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงไปด้วยทำวิปัสสนาแล้วปัญญาเกิดเกิดมาเบื้องต้นก็จะรู้ว่าตัวเราไม่มีรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในรูปนามนี้ไม่มีตัวเรานอกเหนือจากรูปนามนี้ไม่มีตัวเราที่ไหนเลยไม่มีเรามันก็ไม่มีเขาไปด้วยมันมีเราขึ้นมามันถึงมีเขาขึ้นมา อย่างมีบ้านเราครับก็นอกบ้านเรามีในบ้านนอกบ้านใช่ไหมมีรั้วกั้นขึ้นมาพอมีบ้านเราขึ้นมาปุ๊บก็มีที่ไม่ใช่บ้านเรามีตัวเราก็มีของเราคู่ขึ้นมานะแล้วก็มีของคนอื่นมีตัวคนอื่นนะตามมาเป็นแถวแถวมารู้รูปรู้น้ำไปเรื่อยเห็นรูปน้ำไม่ใช่เราไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยเห็นนะเห็นทุกวันทุกวันเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทงาน เออมันทําเอง嘛มันไม่ใช่เราหรอกะสั่งอะไรมันไม่ได้จริงหรอกสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ทุกข์ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้เคยแม้ตั้งใจจะไม่ทําผิดไม่อยากชั่วไม่โกรธตั้งใจจะไม่โกรธล้วก็โกรธตั้งใจจะไม่รักล้วก็รักห้ามมันไม่ได้ตัวนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาแล้วใจมันมีปัญญาแก่รอบมันรู้กานี้ใจนี้ไม่ใช่เรา ก็ภานาต่อไปอีกก็เห็นได้ว่าธาตุขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของการกระทํามีอยู่แต่ไม่มีผู้กระทํำเห็นอย่างนี้นพอานาต่อไปเรื่อยเรื่ก็เห็นอะไรที่ว่ามีอยู่อะไรที่ว่ามีอยู่สิ่งที่มีอยู่ก็คือทุกข์นั่นเองนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไป รูปนี้แหละคือตัวทุกนามนี้แหละคือตัวทุกตรงที่เห็นรูปเป็นตัวทุกจิตสลัดคือรูปให้โลกไม่ยึดรูปนะไม่ยึดรูปเหมือนก็ไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ได้ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระเมื่อมันไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะพระนะกามและปฏิฆามก็ไม่เกิดความรักความผูกพันกับความไม่ชอบใจไม่เกิด ก็เป็นภูมิธรรมภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่หมาเกิดในโลกแล้วเพราะโลกนี้เป็นการมภูมิก็จะหลุดออกไปจากโลกโลกอันนี้ไปสู่รูปประภูมิรูปประภูมิภูมิองพรหมที่ไม่มีกรรมภาวนาขึ้นไปอีกนะเห็นว่าจิตนี่แหละคือตัวทุกตรงที่เห็นนามเป็นทุกนี่เห็นง่ายนะ นามเจตสิกเห็นเป็นทุกข์ง่ายนามจิตเนี่ยเห็นเป็นทุกข์ยากมากเลยอย่างเวลาเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ดูลงไปสิความทุกข์กับจิตมันโคลานกันเป็นไหมความทุกข์กับจิตโคล้ลานความสุขกับจิตก็โค้ลานดีชั่วกับจิตก็โค้ลานนี่เห็นอย่างนี้อย่างนี้ง่ายแต่ตรงที่เห็นว่าตัวจิตนั่นคือตัวทุกข์อุย๊ยโคตรยากเลยเรืองนี้ยยากเลยละนะ ถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์เรียกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งอล้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่มันก็คืนจิตให้โลกไปสมุทัยจะไม่เกิดอีกถ้ารู้ทุกข์เมื่อไหร่สมุทัยก็เป็นอันทุกตละสมุทัยตรระเมื่อไหร่นิโรธคือพระนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิาพพานไม่ใช่ของใหม่มีอยู่แล้วไม่เคยเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ได้ดับไปไม่นของมีอยู่แล้วแต่ไม่เห็น ที่ไม่เห็นเพราะว่าจิตไม่มีคุณภาพอันนแต่อย่างพระอราหันต์เห็นนิพพานตลอดเวลาไหมไม่ตลอดเวลาตาเห็นรูปก็ไม่ได้เห็นนิพพานเวลาหูได้ยินเสียงก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมเวลาใจคิดก็ไม่ใช่ไปเห็นนิพพานแต่เวลมามนาัสิการตระลึกถึงนิพพานก็เห็นเลยมันอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วล่ะไม่ใช่วันหนึ่งบอกเป็นพระอราหันต์ต้องนั่งเฝ้าพระนิพพานไปไหนไม่ได้แล้ว ใหยิบอะไรเมื่อกี้ต้องจ้องไว้เฝ้าพระนิพพานอออืือจะเข้าปากเปล่าวะเดี๋ยวนิพพานหายเ <c oughs> นี่ยนะเพียนเพียนแนละพระอรหันต์อะไเหมือนหุ่นยนต์และบางคนเลยสร้างภาพพระอรหันต์เหมือนหุ่นยนต์เลยนะยิ้มก็ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้หันซ้ายหาันขวาก็ไม่ได้นะถือว่าโลภเหมือนแบบต้องนั่งอย่างเนี้ยเอ้ยอย่างนี้ทิฏฐินะกลัวตัณหาจนเกิดทิฏฐิ มีความเห็นว่าต้องอย่างนี้พระอรหันยิ้มไม่ได้มีราคะถ้ายิ้มแล้วมีราคะหน้าบึ้งก็ไม่ได้นะมีโทสะโอ้ลำบากมากเฟรนพระอรหันต์แบบของเธอเนี่ยโลคจิตจะกินซะ ก, ก่อนนะมันอยู่ที่ใจหรอกนะใจใจที่เข้าถึงสภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้นะค่อยๆฝึก ตอนแรกยังไม่เต้เาตรงนี้นะตอนแรกต้องเอาศีหนห้าให้ได้ก่อนอย่าลบมากรักษาศีหนห้าไว้ก็พร่องกับแพร่งก็ดีกว่าไม่รักษาแล้วก็ฝึกทุกวันต้องฝึกสิบห้านาทียี่สิบนาทีถ้าใครจะส่งกันบ้านว่ามาให้พวกอยู่วัดก่อนคือเดาๆ ว, ว, ว่ามันน่าจะเข้าใกล้ทางสายกลางมากขึ้นนะคะแต่ว่า บางทีก็คิดว่ามันเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีภาษาแรงแรงหรือเปล่าอะค่ะภาษาภาษาไว้ไวทดสอบไว้ทดสอบว่าภานาได้แค่ไหนละแต่ละวันเนี่ยดูไปเรื่อยยินดียินได้รู้ทันไปพอดูไปนานๆนันจะเห็นในโลกนี้ไม่มีสาระใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางแต่ถ้าภาษาแรงแรงมาก็จะเป็นบททดสอบทีหนึ่ะ เป็นเดือนเดือนมาแล้วค่ะหลวงพ่อที่มันเหมือนคนง่วงนอนตลอดแล้ค่ะแล้วเวลาทํารูปแบบหรือกระทั่งมาอยู่วัดเองค่ะหลวงพ่อมันเหมือนทําไปอย่างนั้นเหมือนกําปั้นทุบดิบมันไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องรู้ใจอยากรู้รู้ว่าอยากมันเบลื อ, ลอรู้ว่เบลือใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบ ถ้าเมื่อไหร่พ่อมารู้ตรงที่ยินดีหินร้ายได้นะทุกอย่างจะเสมอกันไปหมดเลยเพราะฉะั้นอย่าตกใจกับสภาวะที่ไม่ดีเวลามาหลอกเรานะมันหลอกเราได้ด้วยใจมัวมัวไม่ค่อยรู้ตัวง่วงๆวงอะไรเงี้ยเราตกใจแนละ้วมันหลอกเราไม่เลิกเลยแต่ถ้าเราเป็นกลางกับมันนะมันก็รู้สึกว่าหลอกเราไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวมันไปหาอย่างอื่นมาหลอกเราไปชวนเรากระดีกระดาแทนนะอย่าไปกลัวมันอยู่ที่เป็นกลาง ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางนะจะพ้นจากทุกข์ทางปวงที่หลวงูดเทศสอนงั้นเรากลางลูกเดียวเลยนะมัวหลวงพ่อก็เคยเป้นตอนนั้นบวชพรรษาแรกๆนะกระทั่งในพรรษาที่สองนะต้นๆพรรษานะใจ ย, ยังหมองๆได้ทนไม่ได้นะทนไม่ได้รู้สึกไม่ดีเลยแล้ววันหนึ่งปัญญามันเกิด จิตนี่นเป็นอนัตตาเห็นมาตั้งนานว่าจิตเป็นอนัตตาทำไมจิตมัวแล้วกลุ่มใจอเขารู้ทันแล้วมันเลิกมัวไปเลยไม่กลัวไม่ใช่ว่าต้องสว่างนะรู้อย่างที่มันเป็นรู้ได้จิตที่เป็นกลาง จากวันแรกอะค่ะที่มันสงบแบบแห้งๆอะค่ะพอมาอยู่วัดมันก็ค่อยๆเริ่มทํางานมันก็หมุนจนกระทั่งฟุงฟ้งๆขาดๆฟุ้งๆขาดๆ <c oughs> ไปค่ะแล้วก็ได้เห็นว่าที่ทั้งหมดที่มันปรุงมาเป็นมานะอัตตาความรักตัวเองความหลงตัวเองทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ดีดีดีที่เห็นค่ะแล้วก็ก็เลยไปเห็นจิตที่มันฟูๆเยิมย้มๆ <c oughs> หนูไม่เห็นจิตชตัดอย่างเงี้ยมาพักใหญ่แล้วกาสมาธิเราไม่พออยู่กับโลกมันฟุ้งสัน้นดูธรรมะที่ละเอียดยากเลยในตรงนี้ที่พวกพระได้เปรียบเพราพระมีเวลาเยอะไม่ได้ยุ่งทําหากินนะถ้าขยันภาวนาเขาไปได้เร็วถ้าขี้เกียจติดลบติดลบแรงนะถ้าตกนรกเยอะนะขออนุญาตถามนิดนึงนะคะคือเวลาอยู่กับโลกอะคะ่ะมันจะมีบางช่วงเนี่ย มันหายไปเลยมันล้องหายไปเลยค่ะ <c oughs> ต้องมีวินยัยจะดีหรือจะไม่ดีถึงเวลาก็ภาวนาถ้าทำให้ได้อย่างนั้นเราก็รักษาตัวของเราได้หลวกพก็เป็นชาวโลกมานานบวชตั้งอายุตั้งสี่สิบแปดเนี่ยบวชอายุมากแล้วด้านหนึ่งได้เปรียบน้านหนึ่งเสียเปรียบไปเจอพระเทราะผู้ใหญ่องคหนึ่งท่านบอกว่าอาจารย์ประโมทนะมาบวชช้า เป็นคารวะนานรู้ใจคารวะรู้ว่าคารวานะนั้นรู้สึกนึกคิดยังไงบอกได้เปรียบผมนะผมบวชมาแต่เป็นเนนผมไม่รู้เลยจริงๆเพราะเวลาสอนนะั้นมันจะแห้งแห้งแรงมันไม่เข้าถึงใจนัเป็นโยมเราได้เห็นนะชีวิตนี้มันต้องลำบากมากเลยต่อสู้มากมายนะในการจะมีชีวิตรอดไปวันหนึ่งวันหนึ่งกระทั่งทาธุรกิจ หมื่นล้านพันล้านเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ต่อสู้นะเผลอเมื่อไหร่คนหนึ่งเขาก็แสงหยุดนิ่งเมื่อไหร่คนหนึ่งเขาก็แสง่งชีวิตมันเต็มไปด้วยการต่อสู้ไปหมดแต่ในภาวะที่ต้องดิ้นรนต่อสู้นั้นนะมีวินัยไหมต้องภาวนาดีหรือไม่ดีก็ช่างเราจะภาวนาบูชาพระพุทธเจ้าต้องคิดอย่างนี้นะไม่ใช่ภาวนาเอาดีอะแต่บูชาพระพุทธเจ้านะ ก็จากที่วันแรกๆก็คื อ, อ, อมัวๆใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็มีทั้งฟุ้งซ่านทั้งเพ่งก็สลับกันตะลุมบอลกันมาหลายวันเหมือนกันเออดีดีที่มันไม่อยู่อันเดียวถ <c oughs> ้าอยู่อันเดียวก็เป็นสมาธิเฉยๆคก็เพิ่งมีมาเมื่อวารู้สึกผ่อนคลายคือตามรู้ตามดูนเนืองๆได้อะไรเงี้ยค่ะหรื อ, อรผ่อนคลายสิวันนี้จะกลับบ้านค่ะ เราพอเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรนะใจมันกังวลอะไรอย่างเงี้ยราจะได้กลับบ้านสบายใจขอการบ้านหลวงพ่อไปปฏิบัติต่อทำให้สม่ำเสมอนะ <c oughs> ทำไปอยู่ที่ความสม่ำเสมอและค่อยๆทาไปเออขอขอโอกาสทมหลวงพ่อสองคำถามสั้นๆ น, นะครับคำถามแรกก็คือว่าอันอันนี้อันนี้ถามในรอบห้าปีนะครับคือ คือเริ่มฟังธรรมะหลวงพ่อมาตั้งแต่เมื่อเจ็ดปีก่อนในช่วงสองปีแรกเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยด้วยความประมาททำให้ทิ้งธรรมะมา มานานหลายปีทีนี้เนี่ยพยายามจะเริ่มปฏิบัติใหม่นะครับพยายามจะเริ่มปฏิบัติใหม่แต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่าสติมันก็ไม่ได้เกิดบ่อยเหมือนเก่าจิตก็ไม่ตั้งมั่นเหมือนเก่าบางทีมันก็มีความรู้สึกรู้สึกผิดรู้สึกละอายใจที่เราเคยทิ้งธรรมะมาทําให้ละอายใจที่จะปฏิบัติตรงนี้ควรทํายังไงครับให้รู้ทันสินะเรื่องอะไรละอายใจแล้วไม่ปฏิบัติหนะ่อละอายใจก็รู้ว่าละอายใจดูลงปัจจุบันไปทนๆนเอา ดูแล้วดูอีกมันก็ดีขึ้นมาได้ครับคำถามที่2นะครับก็คือคืนนี้ปีแรกที่ปฏิบัติเนี่ยช่วงเจ็ดเดือนแรกมีอยู่คืนหนึ่งกำลังล้มตัวลงกําลังจะนอนแล้วมันมันเกิดสติเห็นหน้าคนขึ้นมาคนนึงแล้วมันไม่ทันรู้ว่าเป็นหน้าใครนะครับจากนั้นเนี่ยมันเกิดรู้อะไรสักอย่างขึ้นมาสองครั้งติดกันนะครับแล้วมารู้สึกว่าจิตมันทวนกระแสไปเห็นอะไรสักอย่างจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นมันมันมัน มันรู้สึกว่าจิตมันสว่างแจายอยู่หลายวันนะครับผมก็ลองทําผิดสีดูมันก็ยังทําได้นะครับ <c oughs> ก็เลยรู้ว่ามันยังไม่ได้บรรลุอะไรนะครับ <c oughs> ทีนลีเนี่ยหลังจากหลังจากนั้นค่อยมาฟังหลวงพ่อแล้วก็ได้อ่านเรื่องวิถีจิตก็ทราบว่าอันนั้นคือโคตระภูญานใช่ไหมครับไม่ใช่ถ้าเมื่อไหร่เกิดโครรับภูยานนะจะต้องต่อมาขยานทันทีเลยนะยังไม่ถึงจิตไม่เกิดปัญญาขึ้นมาครับ ม, มีปัญญาน้ําสว่างขึ้นมา ทีนี้ผมก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเลยผมต้องมาคิดไหมครับว่าทําไมตอนนั้นมันไม่บรรลุธรรมไม่ต้องไม่ต้องนั่นเป็นอดีตจบไปแล้วมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะอันนั้นเป็นความดีๆในอดีตก็จบไปแล้วส่วนที่ขี้เกียจภาวนาเป็นความไม่ดีในอดีตก็จบไปแล้วนะแล้วผมไม่ได้อธิษฐานอะไรไว้ใช่ไหมครับเราต้องไปคิดไหมครับไม่ต้องไม่ต้องขี้เหล่าทนที่ภาวนาบรสการหลวงพ่อครับคือ วันนี้ใจมันอยากส่งกันบ้านทั้งๆที่มันไม่มีอะไรจะส่งเลยหลวงพ่อแล้วก็มันมืดๆมัวๆวันนี้ตั้งใจจะมามากเลยอะค่ะแต่ว่าฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องเลยตั้งเช้ามันบอกไม่ไม่ทราบยังไงตกรบกวนหลวงพ่อชีนะใช้วิธีหายใจนะแต่ไม่ได้หายใจเข้าไปที่ท้องหายใจเหมือนก็ให้ลมหายใจผ่านขึ้นไปไปบนสมองในแต่แก้เบลอได้นะค เหายใจขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็พุ่ออกไปเบาๆเงี้ยแนะทบแทบสองสามทีนะ้เดี๋ยวหัวสวักขึ้นเพราะฉะนั้นมันมันเหมือนเมือ น, นครอบครอบไว้เฉยๆไนะม่ต้องกลั ว, ลวมันไม่ค่อยมีสติสตังคเออนั่นแหละหายใจไปนะหายใจไปหายใจขึ้นไปบนสมองเลย รู้สึกไหมอย่ารู้สึกตัวชัดขึ้นชัดขึ้นคแต่พอทอสบายแล้วนะก็อย่าไปหายใจหายใจธรรมดาเห็นการ่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปมีความรู้สึกเกิดก็รู้เอาอันนี้แค่แก้ความเบือเท่านั้นเองนะครับทุกขครันบัสการ์ครับตอนนี้ก็กลับมาเดินปัญญาได้ครับอืแต่ว่ามาเดินเที่ยวนี้มันตัดเร็วขึ้นครับแล้วไปเดินไปไหนอะ ตอนแรกมันมันไปติดสงบครับอืมเวลาพาวนา น, นะมันก็ไม่เดินปัญญารวดเดียวหรอกรเดินไปนิดหน่อยก็เข้ามาพักพักพอสมควรแล้วก็ไปเดินปัญญาครับเดินปัญญารวดก็ไม่ได้พักนานไปก็ไม่ได้ครับต้องฝึกเอาครับสาธุครับค่ะก็เอเริ่มมันเริ่มเห็นร่องที่มัน ไหลชอบไหลออกไม่แช่พอตอนนี้ก็เลยมันเห็นทั้งในตอนทําสมาธิและชีวิตประจำวันก็เลยจะพยายามพยายามที่จะกลับมารู้กายรู้ใจมากขึ้นมัจะมีบางช่วงที่พอกลับมาบ่อยๆมันจะมีตัวนิ่งเราก็รู้มันนิ่งแต่ว่าโดยภาพรวมรู้สึกว่ารู้สึกกายใจได้อย่างนี้แหละจิตมันถึงเริ่มเดินปัญญาได้นะถ้าจิตไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่เดินปัญญาหรอกมันก็นิ่งๆไปงั้นแหละค่ะดีแล้วล่ะหลวงพ่อมีอะไรชี้แนะให้ไปปฏิบัติต่อไหมคะทําต่อสิทําอย่างนี้แหละ อยู่ที่รู้ทันนะจิตเคลื่อนเรารู้เรื่องเพื่อนเรารู้ไปอย่าให้ไปติดนิ่งๆเฉยๆอ ย, อย่ให้จิตมันกับพี่ก็ะเพ่ามันเบาด้วยนะมันนุ่มนวลมันว่องไวมันขยันนี่ไงระหูตาเบามุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลปาคุนตาคล่องแคล่วใช่ไหกามัญตาเหมาะกับการทำงาน ช่วงนี้ก็เลยพยายามขยันขึ้นด้วยค่ะตอนเช้าปกติจะตื่นยากตอนนี้พยายามแข็งใจทําเช้าเย็นเช้าเย็นคือต้องอย่างนั้นใช่ใช่ได้บรคเอาไว้เป็นพระอรหันต์ก่อนนะแล้วจะนอนเท่าไหร่ไม่มีใครว่าตอนนี้สู้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะครับก็คราวที่แล้วได้ส่งการบ้านหลวงพ่อแบบนี้ครับก็คราวที่แล้วจิตมันจะค่อนข้างแข็งค่อนข้างมากครับหลังจากออกจากไปจากวัดขับออกไปนอกรั้วนิดเดียวครับ ก็ทําให้เห็นว่ามันมีความแปรปรวนที่จิตมันก็ดูเป็นกลางง่ายขึ้นมไม่แกว่งมากขึ้นครับแล้วก็ตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาก็แขว่งไปแกว่งมามิมาม่งบ้างแล้วก็โอใช้ได้รวนแปรปรวนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเท่ที่สังเกตตัวเองก็คือเวลาอยู่กับโลกเนี่ยปัญหาคือสังเกตว่ามีสมาธิค่อนข้างยากนะครับอาจจะเพราะว่าเราเพยายามไม่ใช่พยายามครับคือมีภาษะ กโลกภายยนนนอออกคค่ข้าางเะะรับภาษาเยอะนะใจก็กระเทือนใจกระเทือนก็รู้เอาด้วยความเป็นกลางนะถ้าเมื่อไหร่ใจเราเป็นกลางเพราะนั้นะสมาธิมันก็มาเองแหละครับแต่ปัญหาคือผมลองสังเกตดูว่าถ้าสมมติเราปิดหมายความว่าเราปิดภาษาตัวเองให้มากขึ้นนะครับหมายความว่าอะไรที่ไม่จําเป็นพยายามลดลงซึ่งมันก็ไม่จําเป็นเยอะมากอพอลดลงไปแล้วเนี่ยก็ทําให้มีสมาธิง่ายขึ้นครับก็ลดมากๆระวังอันเดียนะหนีโลก อย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะแต่คลุกคลีกับโลกนั้นไม่ดีแน่หนีโลกก็ไม่ถูกนะจำเป็นอยู่กับมันก็อยู่ครนะอยู่แล้วใจยินดียินรายรู้ทันเอาสุดท้ายเราอยู่กับโลกนะแต่เราสงบเราสันติอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะเรามีความสุขแบบอัศจรรย์เลยครับขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อด้วยครับที่ทําให้ พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆอดีเลยขอบคุณด้วยนะที่ทนต่อการถูกโขกถูกสับนะบางคนไม่ทนอ่ะมาหาหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อโอเราโอไม่เป็นอ่ะประเภทครูบาอาจารย์โอ้ลมปฏิลมหลวงพ่อก็ไม่เป็นกัน่ะ <S <S เราไปเรียนจากครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยให้ท่านโอ้ลมปฏิลมเลยนะ <S 2> <S 2> เรียนเอาธรรมะแล้วก็ลงมือลุยปฏิบัติไม่ไปนั่งอ้อยซ่อยอยู่ด้วยซ้ําไปยังไปหาครูบาอาจารย์เย สินาทีสิบห้านาทีเรียนจบแล้วก็ไปพนานายกเว้นอย่างกะหลวงปุดุลบาทีท่านสอนไม่เหมือนคนอื่นนะท่านนั่งนิ่งๆไม่ค่อยพูดเราก็นั่งทําสมาธิของเราพานาไปแล้วท่านก็นานๆพูดทิงอย่างเงี้ยนั่งได้นานหน่อย <c oughs> แต่ถ้าตอบที่เราคล่องใจเสร็จแล้วเราก็ไปละสู้เอาชีวิตเนี้ยหายากนะสั้นไม่ยาว ไม่นานก็ตายแล้วแต่ละคนนามั ส, ส ก, การหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อคะ่ะเวลาหนูนั่งเนี่ยแล้วเวลาเรารู้สึกว่ามีสติขึ้นมาตอนเราภาวนาเนะะี่ยะมันจะมีอารมณ์แบบวูบแล้วก็เออวืบแบบอันนี้คือจิตมันจะรวมเท่านั้นเองไม่มีอะไร มันถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ถูกไม่ผิดอ๋อ <ละ S 1> มันมันใช่แล้วใช่หมมันใช่ไม่ใช่ไม่สำคัญ น, น่า <laughs> รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละเวลาไม่ชำนาญ น, นะมันเหมือนเวลาจิตจะรวมนะมันเหมือนนักบินที่ไม่เก่งแลนดิ้งไม่ดีหล่นวูบเลยแล้ววูบแล้วก็เด้งขึ้นทันทีเลยมันยังไม่ชำนาญคือเหมือนทุกครั้งที่มีสติกับมาแบบสมมติเราใจลอยอย่างั้นมันก็เป็นทุกครั้งเลยะมันจะเป็นสมาธินะ งั้นไม่ต้องไปตกใจหรอกแต่ไปมันจะท่งอยู่ไม่วุบง่ายๆหรอกกราบนักสการขหลวงพ่อครับผมเจริญสติอยู่หลายปีในเวลาทำงานที่ไม่ได้ใช้ความคิดเนี่ยผมก็เจริญปัญญาได้น้อยๆคือเกือบไม่ได้เลยครับสงสัยว่าเป็นเพราะขาดกำลังของสมาธิด้วยเปล่าครับมีสมาธิแล้วจิตมันไม่ยอมเดินปัญญาถ้าอย่างนั้นก็ต้องพิจรารณาร่างกาย ดูร่างกายเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัวนะค ใ, ใช้ความคิดพิจารณาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเกิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปอนะนี้ไล่ไล่ไปไล่มาเพียงการกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาให้มากขึ้นแทนที่จะให้มันค้นคว้าอะไรสเปสสปาให้มันมาคิดพิจารณาอยู่ในร่างกายนี้แหละไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในร่างกาย มีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุให้ไล่ๆอย่าไปคิดนำธรรมะอะไรมากมายได้คิดมากเนี่ยมันฟุ้งซ่านไม่คิดพิจารณกกายไปครับนวัตการครับก็หลงเยอะคิดเยอะครับใช่สิถ้าหลงไม่เยอะก็คิดไม่เยอะขอคําแนะนําำนะครับใจป็นฟุ้งซ่านเราก็ต้องหาบ้านให้มันอยู่นะ อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยรู้ทันเวลามันหนีไปพอใจมันเชื่องแล้วคราวนี้เราก็มาเดินปัญญาเพราะฉะนั้นมีเครื่องอยู่ของไม่ใช่จิตอยู่ไปอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมอะไรเงี้ยดูไปเรื่อยๆแล้วจิตใจมีความสุขรู้จิตใจฟุ้งซ่านรู้อะไรเงี้ยดูไป มรดการค่ะหลวงพ่อยมมาจากเมืองไกลมากเลยค่ะแล้วยมฟังหลวงพ่อทาง YouTube ค่ะขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่าถูกกับอัธยาศัย<อ> <c oughs> ยมฟังหลวงพ่อประมาณสัก4ี่เดือนได้ะคะ่ะยมยมจะชอบเดินจงกรมแล้วเดินนั่งสมาธิเมื่อก่อนเคยทำได้บ้างแล้วแต่ตอนหลังเนี้ยทำแล้วมันจะตึงๆที่ขมับก็เลยไม่ค่อยทาเท่าไหร่อะคะ่ะไปเดินเอาก็ได้ แต่เวลาเดินนะก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะค่ะแล้วถ้ามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็เห็นความรู้สึกมาแล้วก็ไปค่ฟรีอย่างนั้นก็ได้ยังเดินไหวเดินไปเรื่อยๆหลวงพ่อคะแล้วบางครั้งมันพอสมมุติเออมันจะตึงๆที่หน้าอกแล้วยิ่งวันที่ว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยพอเราคิดเราจะรู้สึกมันตึงมากเลยที่หน้าอกมันเหมือนหนักๆอันนั้นเป็นวิบากนะค่ะเวลาจิตมันทํากรรมให้มาจิตมันมีกิเลสมันก็ทํากรรมอย่างเราเครียดขึ้นมานะค่ะ มันก็แน่นขึ้นมาเป็นวิบากห้ามไม่ได้อันนั้นร่องรับไปอ๋อเราก็ปล่อยมันไปแค่รู้อย่างเดียวใช่ไหมคะแค่รู้มันด้วยใจที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันค่ะแล้วอยู่ที่ไหนว่าอยู่ไกลอยู่นอร์เวย์ค่ะอ๋อนอร์เวย์ไกลจริง <laughs> เกือบถึงขั้วโลกแล้ว <laughs> บางครั้งยมดูภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะแบบพอเราหลับตาแล้วมันจะติดอยู่ที่ตาสองสามขณะยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสมาธิใช่ไหมคะก็เป็นสมาธิต้นๆอย่างเราเห็นแล้วเราหลับตานะนี่ยจํารูปเหมือนได้แต่ถ้าหลับตาไปได้เห็นอยู่นานๆนะเรียกว่าอุคานิมิตค่ะนะอุคานิมิตชานาญขึ้นมาอุคานิมิตจะเปลี่ยนกลายเป็นแสงค่ะเป็นปฏิภาคนิมิต นใจแค่เข้าฉันแต่ว่าไม่ต้องสนใจหรอกนะที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถ้าเห็นกิเลสอยู่เห็นร่างกายเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเราอยู่นี่ดีวิเศษแล้วค่ะ แ, แล้วอย่างไรใค ร, รขขวาชวนทำอะไรแปลกๆอีกไปเชื่อเขานะะนั่งสมาธิแบบโน้นแบบนี้ <laughs> พวกนี้พาเราเสียหมดฟุ้งซ่านค่ะ แล้วบางทีโยมนั่งสมาธิแล้วตัวมันโยกโค้งนั่นแหละนั่นแหละที่จะบอกอ่ะอี่าไปโยกกับมันค่ะก็ไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนั่งสมาธิไปเลยใช่ไหมคะบางคนก็ชอบนะนั่งแล้วเห็นมันโยกโยกได้วันหลังโยกซะเองเลยเนี่ยที่ห่วงคือเรื่องนี้แหละค่ะสรุปว่าโยมก็ทําเหมือนที่เคยทําต่อไปนะคะใช้เดินโงกลมมาดีกว่าไปนั่งโยกค่ะอภิษฎการครับหลวงพ่อ คือเขาเช้แล้วนี่หลวงพ่อบอกว่าผมตั้งใจมากไปผมก็ไปลดความตั้งใจลงเสร็จแล้วผมก็ยังรักษาการฝึกแบบอยู่ในรูปแบบแบบที่หลวงพ่อบอกนะครับเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าตอนหลังนี่ตัวเองเป็นมีจิตผู้รู้เยอะมากพอเดิมมากเลยนะครับเสร็จแล้วทีเนี้ยพอผมเกิดความรู้สึกอะไรปุ๊บผมจะถามตัวเองว่าใครรู้สึกใครรู้สึกแล้วผมก็จะหาว่าไม่มีเจ้าภาพอืมันไม่มีเจ้าภาพผมก็จะรู้สึกว่า สามารถลดความรู้สึกเหล่านี้ได้เร็วขึ้น น, นั่นเป็นอุบายนะแต่ต่อไปไม่ต้องนั่งถามมันแล้วดูมันเกิดดับไปเห็นความรู้สึกเกิดแล้วก็ดับไปไม่ต้องไปแก้มันรเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้ความรู้สึกดับเร็วๆหรอกนะดับหรือไม่ดับไม่สาคัญหรอกแต่ว่าเมื่อความรู้สึกเกิดขึ้นมาใจยินดีรู้ทันใจยินร้ายรู้ทันใจอยากดับเนี่ยเราไม่ชอบมันอยากให้หายไปเร็วๆให้รู้ทันว่าใจมันยินร้าย เนรู้ทันตอนแรกๆจะคิดพิจารณอย่างนั้นก่อนเขาเป็นอุบายใช้ได้นะแต่พอชํานาญขึ้นมาแล้วอย่าไปคิดต่อเดี๋ยวฟุ้งซ่านครับครับแล้วระดับความพยายามผมตอนนี้พอไม่ต้องมากไม่ต้องน้อย่้ไ ม, ไมตองมาะไ ร, รเดี๋ยวตึงเครียดครับได้อีกอย่างครับเมื่อบรรนียหลวงพ่อเทศเรื่องธาตุผู้รู้ครับอย่า ง, งส่วนตัวผมผมเข้าใจว่าผมเป็นผู้รู้อยู่แล้วธาตุผู้รู้คืออะไรครับธาตุรู้ธาตุรู้ธารู้ชาติรู้ยังไม่เห็นหรอกนะ อย่าไปหานะมันจะมาเองเรอมันมีอยู่แล้วล่ะแต่มองไม่เห็นปล่อยมั น, ยไ น, ๆๆนไปก่อนปล่อยมันไปก่อนเมื่อไหรวางผู้รู้ได้ก็จะเจอธาร์รู้แต่อย่าจงใจวางผู้รู้นะสติแตกเลยให้มันวางของมันเองอย่าจงใจวางใช่ไหมอย่าจงใจวางแล้นะใวใจวางผิดเลยะเราต้องมีผู้รู้ไปก่อนแต่มีผู้รู้อย่างเนี้ยสังเกตไหมผู้รู้ของเราเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดได้นั่นแหละดีที่สุดถ้าเป็นผู้รู้ตลอดปียานไม่ดีเลยนะ ติดผู้รู้อยู่อย่างเนี้ยผู้รู้ก็ไม่เที่ยงสังเกตไหมใช่ครับเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้เนี่ยสุดยอดเลยจะสลับกันไปมาตลอดน่นต้องอย่างนั้นถึงจะเรียก ว, ว่าพรานาเป็นเอาพูดกับขอาการก็หลวงพ่อครับประมาทกิเลสไปหน่อยครับก็เลยหลงเยอะครับตอ น, นเดียอจิตมันก็เลยกระจายไม่มีกําลังครับเ อ, อดีรู้อาการแนละครับแล้วก็ที่สองก็ในตัวผู้รู้นี่มีจิตมั้ยครับหลวงพ่ออะไรนะ ตัวผู้รู้มีจิตอยู่ไหมครับตัวผู้รู้อะไรคือจิตเขาเรียกว่าจิตผู้รู้นะคําว่าจิตเนั้นมีนิยามของมันนะคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์เม่มันคือผู้รู้นั่นแหละนี่เพียงแต่ว่าจิตของคนทั่วไปไม่มีคุณภาพมันไปปนกับกิเลสปนใ น, นไวุ่นวายนี่เรามาฝึกจิตให้ปนกับเจตสิกฝ่ายดีเช่นมีสติมีสมาธิอะไรอย่างนี้ มีมีสภาวะที่ฝ่ายดีมาประกอบกับจิตดวนี้นเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมามจิตผู้รู้มันก็อันเดียวกับจิตผู้หลงเลยมันก็เกิดดับไปเรื่อยๆครับผมไป<ม> ท, ท, ทำต่อนะสาธุครับอ้าวคนสุดท้ายมรสการครับท่านลูกผมก็มาพบท่านตั้งแต่ปีห้าสาม ก็ยังไม่เคยส่งกันบานวันนี้ก็เลยคิดโอกาสดีก็จะขอส่งก็รนะู้สึกว่าใจไปเป็นทุกข์ครับใจอะไรนะใจเป็นทุกข์ครับอ่เป็นทุกข์แล้วก็เคยผ่านวิกฤตซึ่งอาจจะคิดไปเองก็ก็ผนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เรา คิดไปเองตรงนั้นมันเป็นสิ่งซึ่งเราไม่ควรจะไปคิดเราน่าจะคิดถึงธรรมะหรือคิดถึงพุท ธ, ธคุณธรรมคุณสังคุณมากกว่าอืก็คิดว่าถ้าไปสตอนนั้นก็คงจะเสียโอกาสออืเลยเามากราบธรรมสรการแล้วก็มาด้วยความศรัทธาอยากรู้สึกไหมว่าร่างกายกับจิตเป็นโคลนดูออกไหมตัวนี้ แล้วเห็นมาความรู้สึกต่างๆนะโลภโกรธหลงมันก็ไม่ใช่จิตนะมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยปขดูแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเห็นเลยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปดูไปสบายๆก็ไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบเอาวิเศษวิโสอะไรหรอกมุ่งให้เห็นความจริงอยู่เฉพาะหน้านี้เองว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปดูไปสบายๆดูด้วยใจที่โปร่งๆสบายๆ เราก็ดูเห็นกายมันทำงานเห็นใจมันทำงานไม่มีตัวเราตรงไหนเลยจิตใจนี้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้จิตใจเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะมีแต่ความแปรปรวนได้ดูอย่างนี้เรื่อยๆไปกนะบคุณครับเอาเชิญกลับบ้าน